Book 2 <29 S 1> <29 S> 2ยี่สิเกที่ร้านอาหารหนึ่งอโต๊ะนี้ว่างไหมคะดิฉันอยากได้รายการอาหารค่ะ กันแอกดีสไปส์อร์ทไกรคุณมีอะไรแนะนำไหมคะวัดเปอฟิลยัยออนดิฉันขอเบียร์ค่ะเอกวลกราชอบียรดิฉันขอน้ำแร่ค่ะเอกวลกราชมินาโรอวาเทีร์ดิฉันขอน้ำส้มค่ะ ดิฉันขอกาแฟค่ะดิฉันขอกาแฟใส่นมค่ะดิฉันขอกาแฟมีนมคารุณาใส่น้ำตาลด้วยนะคะมีไซร์ก็อร่อย ดิฉันขอชาค่ะ a q Gras Tea ดิฉันขอชาใส่มะนาวค่ะ Aqua Gras Tea ใส่สีร์เลมูนีดิฉันขอชาใส่นมค่ะ a q g r a Tea คุณมีบุหรี่ไหมคะ คุณมีที่เขียบุรีไหมคะไฮที่ยออสอกคุณมีไฟไหมคะไฮที่ยออออนสเอร์ดิฉันขาดซ่อมคะ่ะอากอร์ดอฟเดิฉันขาดมีดคะ่ะอากอร์ดอเมสดิฉันขาดช้อนคะ่ะ accord a l i e l o